เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8ปีนมาคมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ยังได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมความงามให้แก่ชีวิตของตนความงามของชีวิตนี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันคืองามทางร่างกายและงามทางจิตใจความสวยงามทางร่างกายสู้ความสวยงามทางจิตใจไม่ได้ สวยงามทางร่างกายเป็นความสวยงามชั่วคราวแต่ความสวยงามทางจิตใจเป็นความสวยงามที่ถาวรความสวยงามของใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าความสวยงามของร่างกายถ้าร่างกายสวยงามแต่ใจไม่สวยงาม ก็จะไม่เป็นที่ประทับใจของผู้อื่นแต่ถ้าร่างกายไม่สวยงามแต่ใจสวยงามจะเป็นที่ประทับใจของผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สวยทางร่างกายท่านโกนศีรษะไม่ได้เสริมความงามด้วยเครื่องสมอางต่างๆ ด้วยน้ำหอมน้ำมันต่างๆแต่ท่านสวยงามทางจิตใจทำให้พวกเรานี่มีความชื่นชมยินดีมีความรักมียาำคารพในทางตรงกนันข้ามถึงแม้ว่าจะสวยแบบระดับนางงามจากักรวาลหรือรูปหลอ่อระดับนายแบบถ้าใจไม่สวย ก็จะไม่มีใครอยากที่จะเข้าใกล้ดังนั้นเราจึงต้องรู้ว่าความสวยงามที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสวยงามที่ใจความสวยงามที่ร่างกายก็จะเป็นของชั่วคราวเช่นเราแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากห ว, วีผมใส่เสื้อผ้าพร ก็สวยอยู่สักระยะหนึ่งพอกลับมาบ้านก็ต้องล้างหน้าล้างตาเวลานอนหลับตื่นขึ้นมาก็มีคี้ตาติดตาผมเเผวก็ลงลังน้ำลงน้ำลายก็อาจจะไหลออกมาทางปากใครที่เห็นหน้าเราตอนนั้นก็คงจะคงจะต้องเข้าเกียร์ถอยหลังเพราะว่านี่คือลักษณะของความ งามของทางร่างกายที่จะต้องคอยคอยเสริมคอยแต่งอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาผ่านไปมากขึ้นมากขึ้นหนังก็จะเริ่มหย่อนเริ่มยานาผมก็จะเริ่มหงอกเริ่มขาวเริ่มร่วงต่อไปก็จะไม่มีความสวยงามหลงเหลืออยู่เลยแต่ความสวยงามของใจนี่ ไม่ได้ร่วงโรยไปตับการตับเวลาแต่กลับจะสวยงามเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสร้างความประทับใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนนั่นเองระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนเราจะพิสูจน์กันนี่ต้องพิสูจน์ที่ใจไม่ใช่ที่ร่างกาย ต่อให้เสริมความงามสวยงามขนาดไหนแต่ถ้าใจไม่สวยใจไม่คงเส้นคงวาสวยชั่วครั้งชั่วคราวก็ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันสวยแบบชั่วครั้งชั่วคราวนี่เราเรียกว่าสวยแบบจัดฉากเวลาเจอแฟนกันใหม่ๆก็ต่างคนก็ต่างเอา อ, อกเอาใจกันต่างกันก็ต่างเสียสละกันต่างคนก็อดทน อดกา้นกันเพราะยังรู้จักกันใหม่ๆยังอยากจะให้เขาประทับใจในตัวเราแต่พออยู่พอได้มาอยู่ร่วมกันแล้วได้เป็นของกันและกันแล้วทีนี้ความพยายามที่จะเอา อ, อกเอาใจกันก็จะน้อยลงจะเอาแต่เอา อ, อกเอาใจของตัวเองพอต่างคนต่างเอา อ, อกเอาใจของตัวเองไม่ช้าก็เร็วก็ต้องทะเลาะกัน เมื่อช้ากัแล้วก็ต้องโกรธกันเกลียดกันเพราะว่าไม่สามารถรักษาความสวยงามของใจได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองความสวยงามของใจถ้าเราเสริมสวยแล้วเราต้องพยายามรักษาความสวยงามไว้รักษาคุณสมบัติรักษาเครื่องสำอางของใจ พระุท ธ, ธเจ้านี่ส่งใช้เครื่องสำอางอยู่สชนิดด้วยกันคือ 1. คือจาคะการเสียสา 2. ส, สัตสัจจะความซื่อสัตย์ 3. ความอดกลัน้นเรียกว่าธรรมะและสคือความอดทนเรียกว่าขันตินี่คือ เครื่องสำอางที่จะเสริมความงามของจิตใจให้สวยให้งามให้ดูไม่จืดไม่จางอยู่กับใครที่ไหนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนชั้นใดวรณะใดเป็นชาวประเทศอะไรก็ตามสามารถชนะใจทุกคนได้หมดเลยด้วยความงามทางจิตใจเราจึงควรให้ความสนใจ ต่อการเสริมความงามของจิตใจมากกว่าการเสริมความงามทางร่างกายที่ไม่มีน้ำหนักเท่ากับความสวยงามของใจและไม่ถาวรยั่งยืนเหมือนกับความสวยงามของใจพยายามหาซื้อเครื่องสำอาสี่ประการนี้เอามาใช้เสริมความงาม มาวัดบ่อยๆเพื่อที่จะได้มาซื้ อ, อเครื่องสำอางสี่ชนิดนี้คือมาศึกษามาฟังว่าวิธีจะใช้เครื่องสำมางสี่ชนิดนี้จะใช้อย่างไรข้อที่หนึ่งให้มีจาคะคือความเสียสละ คามเสียสละก็หมายถึงสละประโยชน์และสละความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาเสียสละความสุขเสียสละประโยชน์ของญาติโยมเอากับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานที่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแทนที่เราจะหววเก็บเอาไว้กินคนเดียว เราเอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเอามาแบ่งให้แก่ผู้ที่เขาขาดแคลนทุกข์ยากเดือดร้อนพอเขาได้รับอาหารได้รับสินของต่างๆมาช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากเขาก็ได้รับประโยชน์เขาก็ได้รับความสุขแล้วเขาก็จะมีความชื่นชมเยินดีชอบเรารักเรา นี่คือขั้นที่หนึ่งก็คือเราต้องมีจาระะต้องรู้จักเสียสละอย่าเอาแต่ใจของเราบางทีเราอยู่ร่วมกันคนหนึ่งอยากจะทําอย่างหนึ่งเราอยากจะทําอีกอย่างหนึ่งเช่นสามีอยากจะไปเที่ยวเราอยากจะอยู่บ้านถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเสียสละ ต่างฝ่ายต่างเอาใจของตนเองต่อไปก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้คนอยากเที่ยวเขาก็จะไม่อยู่กับคนที่อยากจะอยู่บ้านคนอยากอยู่บ้านก็จะไม่อยากอยู่กับคนที่อยากเที่ยวแล้วเดี๋ยวก็ต้องแตกแยกแตกสามขีดโกรธกันเกลียดกันขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากที่จะรักษาน้ำใจเขารักษาความรักของเขา ที่เขามีให้กับเราเราก็ต้องเสียบ้างจะเอาอย่างเดียวไม่ได้ในโลกนี้ไม่มีใครเอาอย่างเดียวได้ทุกคนนี้จะต้องมีได้มีเสียถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ด, ดังนั้นเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วถ้าเราเห็นว่าการเสียสละของเรานี้จะทําให้ มีความรักความสามัคคีกันเราก็ควรที่จะยินดีที่จะเสียสละความสุขและประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่เราจะได้กลับมานี้มันมีคุณค่ากว่าความสุขและประโยชน์ที่เราเสียไปเราจะได้รับรับความรักจากผู้เราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะวิวาสกันครอบครัวจะอยู่กันอย่างแน่นหนาเป็นปึกเป็นแผนถ้าคนในครอบครัวทุกคนรู้จักการเสียสละไม่คิดแต่จะเอาแต่ได้เพียงอย่างเดียวถ้าคิดแต่เอาแต่ได้ไม่ช้าก็เร็วครอบครัวก็จะต้องแตกแยกพ่อก็ไปทางแม่ก็ไปทาง ลูกก็ไปทางเพราะต่างคนต่างอยากจะเอาประโยชน์สุขใส่ตนเองเท่านั้นนี่คือลักษณะของสังคมในปัจจุบันทุกคนคิดแต่จะแสวงหาประโยชน์สุขของตนเองพอโตขึ้นมาก็แยกออกจากครอบครัวไปที่เคยอยู่กับพ่อกับแม่มาแต่พอโตอยากจะมีความสุขก็ แยกทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปไปอยู่กับสามีไปอยู่กับภรรยาสมัยก่อนให้คนเราครอบครัวเรานี้จะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ร่วมกันในบ้านมีพี่ป้าน้าอามีปู่ย่าตายายมีญาติสนิทมิตรสหายอยู่ร่วมกันเพราะทุกคนรู้จักมีการเสียสละ ไม่เอาแต่ประโยชน์ใส่ตนเท่านั้นเช่นเดียวกับโลกในวันนี้ประเทศในวันนี้เกิดการแตกแยกกันแทบทุกคนทุกแห่งเพราะทุกคนมุ่งเอาแต่ประโยชน์สุกใส่ตนเองอประเทศก็จะแยกกันแยกกันไม่พอใจเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์สุก อ, อย่างประเทศไทยก็มีเป็นช่วงๆที่มีการที่จะ ทำให้เกิดความแตกแย ก, กเพราะต่างคนมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่สตนใส่พวกใสพ้องโดยที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเราต้องเห็นว่าเราเป็นเด่งในอวัยวะเหมือนร่างกายของเรานี้มีอวัยวะ32ส่วนด้วยกันถ้าส่วนใดส่วนนด่นนี้เกิดความแตกสามคัคคีไม่ยอมทำหน้าที่ ร่างกายนี้ก็ต้องตายไปเช่นหัวใจบอกว่าฉันทำงานมากกว่าคนอื่นคนอื่นบอดทำไม่ทงานไม่หนักเท่าเราก็เพราะทำงานไม่สู้เราเราทำไม่ไหวเราอยากจะหยุดทาถ้าหัวใจหยุดทำงานร่างกายนี้ก็จะตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในร่างกายนี้ก็จะหมดสภาพไป ใดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติถ้าต่างฝ่ายต่างยึดประโยชน์ของตนเป็นหลักไม่ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักสังคมจะต้องแตกแยกและจะหมดสภาพไปสังคมใดประเทศใดที่มีความแตกแยกสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่อ่อนแอก็จะตกเป็น เยื่อของสังคมที่เขามีความแข็งแก่งเขามีความสามัคคีเขาก็สามารถที่จะมาตีบ้านเอาบ้านเอาเมืองของเราไปได้เราก็จะต้องอยู่แบบทาตแทนที่จะอยู่แบบอิสระเพราะความเห็นแก่ตัวนี้เองเอาแต่ประโยชน์ใส่ตนเองไม่คำนึงถึงประโยชน์ของสังคมของส่วนรวม นี่คือความสวยงามข้อที่หนึ่งผู้ใดมีความเสียสละไปอยู่ที่ไหนกับใครรับรองได้ว่าจะไม่มีใครรังเกียจจะมีแต่คนรักคนชอบเวลาจากไปก็บ่นคิดถึงไม่เหมือนกับคนที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนสาบแช่งอยากจะให้ตายเร็วๆอยากจะให้ไปเร็วๆ เวลาไปเขาก็ร้อง อ, อกร้องใจกันนี่คือเครื่องที่คุณธรรมที่จะทำให้เราเป็นคนน่ารักหรือน่าเกลียดไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ได้อยู่ที่เครื่องสมาอยู่ที่จาคะความเสียสละหรืออยู่ที่ความเห็นแก่ตัวนี่คือข้อที่หนึง่ง ข้อที่สองก็คือสัจจะความซื่อสัตย์ซื่อตรงคนเ่านี้อยู่ร่วมกันถ้าต้องอยู่กับคนไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนี้จะรู้สึกไม่สบายใจเพราะจะไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรกับเราเขาจะหลอกเราหรือไม่เขาจะโกงเราหรือไม่เขาจะแย่งผัวแย่งเมียของเราไปหรือไม่เราจะไม่รู้ เหมือนกับอยู่กับงูอยู่กับอสอรพิษไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยคนที่ไม่มีสัจจะไม่มีความซื่อสัตย์ถ้าอยากจะให้ผู้อื่นรักเราเราต้องมีความซื่อสัตย์ซับมีสัจจะถ้าเขารู้ว่าเรามีสัจจะเราไม่คดไม่โกงไม่บูดไม่เบี้ยวไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่น ไม่แย่งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไปอยู่กับใครที่ไหนก็มีแต่คนยินดีคนรักเช่นเวลาเราจ้างคนมาเป็นคนใช้ในบ้านเราเราก็ต้องดูคุณสมบัติเพราะว่าเขาจะมาแย่งผัวแย่งเมียเราหรือเปล่าเขาจะมาแย่งทรัพย์สมบัติของเราไปหรือเปล่าเขาจะมาแย่งลูกของเราไปหรือเปล่าเพราะคนที่ไม่ซื่อสัตย์นี้ มีเขาจะทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่เขาอยากได้นะดังนั้นถ้าเราอยากที่จะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนดีเป็นคนสวยเป็นคนงามเราต้องมีสัจจะเราต้องไม่โกหกหลอกลวงใครแม้แต่พระพุทธรูปก็ไม่โกหกคนบางคนเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไปบ่นบานต่อหน้าพระพุทธรูป พอหายทุกข์แล้วก็ไม่ยอมที่จะทำตามที่ตนเองบ่นบานไว้อันนี้ก็โกหกกับพระพุทธรูปพวกที่ชอบบ่นชอบบานนี้ระวังไว้ให้ดีก่อนจะบ่นอะไรคิดให้ดีเสียก่อนว่าเราจะทำตามที่เราบ่นไว้ได้หรือเปล่าถึงแม้พระพุทธรูปท่านจะไม่รู้เรื่องถึงแม้พระพุทธรูปท่านจะไม่โกรธเราเกลียดเรา แต่เราจะเป็นคนที่จะไม่มีสัจจะแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปจะโกหกหลอกลวงไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ประโยชน์สุขถ้าทำอย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วคนเขาก็จะต้องรู้นิสัยของเราเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนนี้เชื่อถือไม่ได้ไว้ใจไม่ได้แล้วต่อไปจะไม่มีใครเขาจะคบค้าสมาคมกับเรา ไปทำมาหากินไปหางานหาทองก็จะลําบากไปสมัครงานถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่มีความซื่อสัตย์ก็จะไม่มีใครอยากจะจ้างเราไปแต่งงานกับใครเขาก็ไม่อยากจะแต่งด้วยถ้ารู้ว่าเราเป็นคนที่โกหกหลอกลวงเป็นคนที่ไม่ไม่สุดจริตนี่คือคุณสมบัติความสวยงามข้อที่สอง ก็คือสัจจะคุณสมบัติข้อที่สก็คือธรรมะแปลว่าความอดกลั้นความอดกลั้นก็คืออดต่ออดกลั้นกับอารมณ์ที่ไม่ดีที่เรามักจะมีปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจเรื่อยๆเวลาเกิดโทสะขึ้นมาเราต้องรู้จักอดกลั้นอย่าปล่อยปล่อยโทสะออกมา เวลามีความโลภ ก, ก็ต้องรู้จักอดกลัน้นหักห้ามจิตใจเพราะเวลาที่เราทำอะไรในขณะที่เราโลภในขณะที่เราโกรธนี้มันไม่ดูไม่น่าดูเลยเป็นเหมือนสุนัขแย่งกันสุนัขแย่งอาหารกันสุนัข ก, กัดกันนี่นี่คือลักษณะของผู้ที่ไม่มีความอดทนไม่มีความอดกลัน้น พออยากจะได้อะไรก็ทําเลยถ้าต้องแย่งเขาก็ต้องแย่งกันอย่างนี้ก็จะเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเวลามีความเสียใจก็ต้องรู้จักหักห้ามจิตใจอย่าปล่อยให้มันลามออกไปข้างนอกเพราะมันอาจจะพาให้เราไปทําบาปทํากรรมได้ เสียใจมา ก, มากๆโกรธมากๆากอาจจะไปฆ่าผู้อื่นได้ฆ่าผู้เสร็จแล้วก็กลับมาฆ่าตัวเองต่อเพราะว่ากลัวที่จะต้องไปรับโทษแต่ถ้ารู้จักหักห้ามจิตใจหักห้ามความเสียใจหักห้ามความโกรธหักห้ามความโลภเราก็จะไม่ต้องไปทำบาปเมื่อเราไม่ต้องไปทำบาป เราก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายหนีบาปหนีกรรมซึ่งความจริงการฆ่าตัวตายนี้ก็ไม่สามารถหนีบาปหนีกรรมได้เพราะบาปผู้ที่จะไปใช้บาปใช้กรรมนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่จะไปใช้บาปใช้กรรมคือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าทำบาปแล้วก็ต้องไปใช้กรรมนอบายไปใช้กรรม ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปเป็นสัตว์นรกขึ้นอยู่กับบาปที่ทำไว้ว่าทำด้วยสาเหตุอันใดถ้าทำด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตถ้าทำด้วยความกลัวก็ไปเป็นผีถ้าทำด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็ไปเป็นสัตว์นรก ต่อให้ข่าตัวตายก็หนีไม่พ้นวิบากอันนี้วิบากทางร่างกายอาจจะหนีได้เช่นข่าเขาแล้วไม่อยากจะไปติดคุกก็ฆ่าตัวตายไปเส้อก่อนวิบากทางร่างกายก็ถือว่าจบไปแต่วิบากทางใจนี้ยังไม่จบตายแล้วยังต้องไปใช้กรรมต่อไปต้องไปใช้กรรมในอบาย เราไม่รู้ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เมื่อไหร่จึงต้องรู้จักหักห้ามจิตใ จ, จยอย่าไปปล่อยให้ทำตามอารมณ์เพราะทำไปแล้วมันจะมีผลเสียหายตามมาต่อไปทำให้เราเป็นคนน่าเกลียดน่ากลัวถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนที่ฆ่าคนได้ยังไม่มีใครอยากจะ คบค้าสมาคมกับเราถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนที่ฆ่าตัวเองได้คิดดูก็แล้วกันถ้าเขาฆ่าตัวเขาเองได้แล้วเรื่องฆ่าคนอื่นนี่มันจะเป็นยากของยากได้ยังไงเพราะพูดตามหลักแล้วไม่มีใครจะรักใครเท่ากับรักตัวเองแต่ถ้าถึงกับฆ่าตัวเองได้นี่ก็แสดงว่าใจนี่มีความโหดเหี้ยมร้ายกาจทารณุณ ถ้าค่าตัวเองได้แล้วเรื่อมค่าคนอื่นนี้มันจะไ่ยากเย็นตรงไหนนี่คือข้อที่สาเครื่องสังงา ม, ามข้อที่สามที่เราควรที่จะเอามาใช้กับจิตใจต้องรู้จักหักห้ามจิตใจอย่าปล่อยให้ใจลุแก่โทสะโมหะและโลภะเวลาเกิดก็ใช้เบรกหยุดได้พระพุทธเจ้าสอนให้เราติดเบรกกันเบรกก็คือสติ ให้เราเลกถึงพระพุทธเจ้าบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเวลาโลภเวลาโกรธเวลาหลงก็ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปจนกว่าความโลภความโกรธความหลงนั้นจะสงบตัวลงไปเราเบรกใจเราได้เรามีเครื่องมือแต่เราไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักติดเบรกกันถ้าเราต้องขับรถไป ข้างนอกแล้วเรารู้ว่ารถไม่มีเบรกเราจะกล้าขับออกไปข้างนอกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าขับออกไปมันก็ต้องชนกับเขาแน่นอนเวลาถึงสี่แยกไฟแดงเวลาที่จะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้ารถมาวิ่งมาเร็วๆเบรกไม่ได้มันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อย่างไรมันก็ต้องพุ่งพุ่งชนรถคันนูน้นคันนี้ไปฉันใดใจของเราถ้าไม่มีเบรกก็เป็นอย่างนั้น ถ้าไม่มีสตินี้มันเบรคไม่ได้นะอย่างคนเวลาดื่มสุรายาเมานี้ท่านบอกว่าเป็นคนไม่มีสติพอไม่มีสติวาจาการกระทําก็เลยไม่สวยงามคนเมาเล่าไมแล้วมีใครอยากจะอยู่อยู่ใกล้ว่าฟังคําพูดก็มีแต่คำหยาบคายพูดรวนรางพูดหาเรื่องไม่มีพูดอย่างสวยงามเหมือนกับคนที่มีสติ เวลากระทำมาลายก็มักจะกระทำให้เกิดความเสียหายทุกข้าวทุกของทุกตีคนนั้นคนนี้เพราะการไม่มีสติยับยั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจนั่นเองถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้คนที่รักษาศีลนี้ท่านบอกว่าศีลข้อที่ห้านี้สำคัญที่สุด เพราะว่าถ้ารักษาสินข้อที่ห้าไม่ได้ก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะมายับยั้งการละเมิดสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สและข้อที่สี่ได้ถ้ามีสตกิก็จะสามารถยับยั้งได้เวลาจะฆ่าก็ยับหยุดได้เวลาจะรักทรัพย์ก็หยุดได้เวลาจะพติพผิดเวเวนีก็หยุดได้ เวลาจะโกหกหลอกลวงก็หยุดได้พ่อมีเบรกมีสติรู้ว่ากำลังทำไม่ดีรู้ว่ากำลังทำบาปคนที่ทำบาปส่วนใหญ่นี้จะไม่มีสติกันจะไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำบาปกันดังนั้นขอให้เราฝึกสติให้มากๆเพื่อที่เราจะได้มีเบรกมายับยัง้งมาระงับอารมณ์ต่าง เพื่อที่เราจะได้มีความอดกลั้นได้ข้อที่สี่ก็คือความอดทนความอดทนก็คืออดทนกับสภาพต่างๆที่เราจะต้องอยู่ด้วยชีวิตของเรานี้ไม่ได้อยู่บนเดินอยู่บนกรีบกุลาบถนนที่มีรอยด้วยกรีบกุลาทาันทางเดินของเรานี้มีทั้งกวดมีทั้งหินมีทั้งหลุมมีทั้งบอ่อ มีทั้งขวาดน้ำมีทั้งกับระเบิดมีอะไรจีปาธรมมากมายกายกองถ้าเราไม่มีความอดทนเราจะไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ได้เวลาเราไปเจออะไรที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจเราเราจะเสียใจเราจะท้อแท้เบื่อหน่ายเราจะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำตัวของเรา ให้เป็นคนดีได้เราไปเจออะไรเจอปัญหาอะไรถ้าเราไม่สามารถแก้ด้วยวิธีที่ถูกต้องได้เราก็จะมักไปแก้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นเวลาเราขาดเงินขาดทองเราก็มักจะไปขโมยเงินขโมยทองหรือไปโกหบหลอกลวงผู้อื่นขอยืมเงินขอยืมทองก็มา แต่ก็รู้ว่าไม่มีวันที่จะไปใช้เขาได้หรือถ้าลำบากมากๆก็อาจจะต้องไปฆ่าผู้เพื่อที่จะตัดความทุกข์ยากลำบากของตนแต่ถ้ามีความอดทนมีขันติแล้วก็จะสามารถที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ วิธีที่จะทำให้เรามีความอดทนก็คือเราต้องหัดทำใจให้สงบหัดทำใจให้นิ่งให้สบายเพราะว่าเวลาใจสงบใจสบายแล้วจะพบกับสิ่งอะไรต่างๆในโลกนี้ก็ทนได้ไม่เดือดร้อนจะอดอยากขาดแคลนจะเจออากาศที่หนาวร้อนจะเจอคนที่ไม่น่าพบน่าน่ารู้จัก ถ้าใจสงบใจมีอุเบกขาใจจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอยู่กับเขาได้แม้แต่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะอยู่กับความเจ็บไข้ของร่างกายได้ถ้าใจมีความสงบดังนั้นถ้าเราอยากจะมีขันติความอดทนเราต้องฝึกทําใจให้สงบหัดนั่งสมาธิกันหัดมาอยู่วัดมาถือศีลแปด มาปรีกวิเวกันอยู่ตามลำพังแล้วคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจคิดอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วไม่ช้าก็เร็วใจก็จะสงบพอสงบแล้วใจจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจจะไม่เดือดร้อน ใจไม่ต้องไปทำบาปไม่ต้องไปทำอะไรให้เสียหายกับตนเองอยู่กับใครก็จะไม่มีใครรังเกียจมีแต่คนรักคนชอบนี่คือวิธีเสริมความงามของจิตใจที่เป็นความงามที่แท้จริงของพวกเราถ้าเราอยากจะเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพน่านับถือมีคนชอบคบค้าสมาคม เราต้องเสริมความงามด้วยเครื่องสมอางสี่ประการนี้คือหนึ่งจาขะวามเสียสละสัจจะความซื่อตรงธรมะความอดกลัน้นและขันติความอดทนถ้าเรามีเครื่องสมอางสี่ชนิดนี้ไว้เสริมความงามของใจแล้วแล้วเราจะเป็นคน สวยงามเหมือนกับพระพทธเจ้าเหมือนกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเพราะพ่อพทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านสวยงามด้วยคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาเสริมความงามที่แท้จริงด้วยการเสริมความงามของจิตใจด้วยคุณธรรมสี่ประการคือจาคาสจักร ธรรมะและขันติขอให้ท่านจงนำเอาไปปฏิบัติแล้วท่านจะเป็นคนที่สวยงามน่ารักไปตลอดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันใาวันนี้ ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณสุขะภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ